อธิบายการบรรลุทุติยชาญก็ลายโยคีบุคคลผู้มีวสีอันได้สังสมดีแล้วในวสีห้าประการเหล่านี้ออกจากปฐมชาญที่ทำให้คล่องแคล่วดีแล้วแต่นั้นพิจารณาเห็นโทษในปฐมชาญ น, นั้นว่าสมาบัตินี้ยังใกล้ต่อนิวรันเป็น่าศึกเพราะเพิ่งละนิวรนได้เป็นครั้งแรกแล้วว่า สมาบัตินี้มีองค์อันทุรพลเพราะวิตกและวิจารณ์เป็นสภาพที่หยาบชนี้แล้วพึงมานาสิการถึงทุติยชาญโดยเป็นสภาพที่ละเอียดคลายความยินดีในปฐมชาญแล้วพึงลงมือทําความเพียรเพื่อบรรลุซึ่งทุติยชาญต่อไปและการใดเมื่อโยกีบุคคล น, นั้นออกจากปฐมชาญ มีสติสัมปชัญญะพิจารณาถึงองค์ฌานอยู่นั้นวิตกและวิจารยอมจะปรากฏโดยเป็นสภาพที่หยาบปีติสุขและเอกะขัตายอมจะปรากฏโดยเป็นสภาพที่ละเอียดการนั้นขณะที่โยคีบุคคลมนณสิการถึงปฏิภาคนิมิตนั้นนั่นแหละอย่างเล่าแล้วเล่า ว, ว, ว, ว, ว่าปัทวีปัวีหรือดินดิน ฉนันนี้เพื่อละเสียซึ่งองชานที่หยาบและให้ได้มาซึ่งององชานที่ละเอียดอยู่นั้นมโนทวาราวัชนาจิตทำปัตวีกสินนั้นนั่นแลให้เป็นอารมณ์ตัดพวังขจิตเกิดขึ้นเหมือนจะบอกให้รู้ว่าทุติยชาญจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้แล้วต่อแต่นั้นชวนาจิตก็แล่นไปในอารมณ์นั้นนั่นแหละสีขณะบ้าง ห้าขณะบ้างตามควรแกโยคีบุคคลเป็นติขะบุคคลและมันทะบุคคลบรรดาชวนาจิตเหล่านั้นดวงสุดท้ายหนึ่งดวงเป็นรูปาวะจรกุศลจิตทุติยชาญดวงที่เหลือนอกนี้เป็นการมาวะจรกุศลจิตเหมือนดังที่กล่าวมาแล้วในปฐมชาญนั้นทุกประการ ก็แล้ด้วยลำดับแห่งภาวนาวิธีมีประมาณเท่านี้เป็นอัญโยคีบุคคลนั้นได้บรรลุแล้วซึ่งทุติยชาญอันเป็นภายในทําจิตให้เลื่อมใสเป็นภาวะที่ให้สมาธิชั้นเอกเกิดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์เพราะวิตกและวิจารณ์สงบไปแล้วมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ ทุติยาชาญปัทวีกษินอันองค์ละสองประกอบด้วยองสามมีความงามสามสมบูรณ์ด้วยลักษณะสิบย่อมเป็นอัญโยคีบุคคล น, นั้นได้บรรลุแล้วด้วยประการชนนี้อธิบายเพราะวิตกและวิจารสงบไปในคำว่า เพราะวิตกและวิจาร์สงบไปนั้นมีอัธยาธิบายว่าเพราะองฌานทั้งสองคือวิตกและวิจาร์นี้สงบไปคือเพราะก้าวล่วงวิตกและวิจารทั้งสองไปได้แก่เพราะไม่มีวิตกและวิจาร์ทั้งสองปรากฏในขณะแห่งทุติยฌานในฌานทั้งสองนั้นถึงแม้ว่าธรรมะที่มีในปฐมฌานแม้ทุกๆุกอย่างจะไม่มีในทุติยฌาน เพราะเจตสิกธรรมทั้งหลายเช่นผัสสะเป็นต้นในปฐมฌานก็เป็นอย่างหนึ่งในทุติยฌานนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งก็ตามแต่กระนั้นการบรลุฌานอื่นๆจากปฐมฌานขึ้นไปเช่นทุติยฌานเป็นต้นย่อมมีได้เพราะผ่านองค์ฌานที่หยับหยาไปดังนั้นนักศึกษาพึงทราบว่าเพื่อที่จะแสดงความหมายดังอธิบายมานี้ ท่านจึงกล่าวว่าเพราะวิตกและวิจาร์สงบไปด้วยประการชนนี้อธิบายเป็นภายในคำว่าเป็นภายในณที่นี้หมายเอาภายในที่เกิดในตนส่วนในคำภีวิพังคปกรณ์พระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้แต่เพียงสั้นๆว่าคำว่า เป็นภายในคือเป็นไปเฉพาะตนและเพราะในคำว่าเป็นภายในนี้ประสงค์เอาภายในที่เกิดในตนฉะนั้นจึงมีอัธาทธิบายว่าเกิดแล้วแก่ตนอย่างหนึ่งเกิดแล้วในตนอย่างหนึ่งบังเกิดในสันดานของตนอย่างหนึ่งฉะนี้ อธิบายสัม <ijk> ปัสาธนังประกอบด้วยความเลื่อมใสคำ kind of ว่าประกอบด้วยความเลื่อมใสนั้นมีอธิบายว่าศรัทธาเรียกว่าความเลื่อมใสแม้ชานก็เรียกว่าความเลื่อมใสเพราะประกอบด้วยความเลื่อมใสเหมือนที่เรียกว่าผ้าเขียวเพราะประกอบด้วยสีเขียวฉะนั้น อธิบายสัมปษสสะ่นังทำจิตให้เลื่อมใสอีกประการหนึ่งเพราะชานนั้นยอมทำจิตให้เลื่อมใสโดยเหตุที่ประกอบด้วยความเลื่อมใสและโดยเหตุที่สงบเสียได้ซึ่งความวุ่นวายเพราะวิตกและวิจารณฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าสัมปัสาทนังแปลว่าทำจิตให้เลื่อมใส และในอัตถวิกัปนี้พึงทราบถึงการเชื่อมบทเข้าด้วยกันอย่างนี้คือสัมปัสสะทนางเจตโศแปลว่าทําจิตให้เลื่อมใสส่วนในอัตถวิกัปต้นต้องยกเอาบทว่าเจตโศไปประกอบเข้ากับบทว่าเอโกที่พาวังเป็นเจตโศเอโกที่ภาวังแปลว่า เป็นภาวะที่ให้สมาธิชั้นเอกเกิดขึ้นแก่ใจอธิบายเอโกทิภาวงในบทว่าเอโกทิภาวางนั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้สมาธิใดเป็นเอกเกิดขึ้นฉะนั้นสมาธินั้นชื่อว่าเอโกธิแปลว่าเป็นเอกเกิดขึ้น อธิบายว่าเป็นธรรมะล้ำเลิศเป็นธรรมะประเสริฐเกิดขึ้นเพราะไม่ถูกวิตกและวิจารเกิดขึ้นครอบงำจริงอยู่บุคคลผู้ประเสริฐเขาก็เรียกกันว่าเป็นเอกในโลกหรือจะพูดว่าสมาธิเป็นเอกคือไม่มีเพื่อนเพราะเว้นจากวิตกและวิจารชนี้บ้างก็ได้อีกประการหนึ่ง สมาธิใดอย่างสัมปยุตรธรรมทั้งหลายให้เกิดขึ้นคือให้ตั้งขึ้นฉะนั้นสมาธินั้นชื่อว่าอุทิแปลว่าสภาพที่อย่างสัมปยุตรธรรมให้เกิดขึ้นสมาธิที่เป็นเอกเพราะอัตถว่าประเสรฐนั้นด้วยทำให้สัมปยุตรธรรมเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นจึงชื่อว่าเอกโกทิแปลว่า สมาธิชั้นเอกและทำให้สัมปยุต ธ, ธรรมเกิดขึ้นคำว่าเอกโกทินี้เป็นชื่อของสมาธิทุติยชาณ น, นี้ชื่อว่าเอกโกธิภาวางังเพราะอัตถวิเคราะห์ว่าทำสมาธิที่ชื่อว่าเอกโกทินี้ให้เกิดขึ้นคือทำให้เจริญขึ้นด้วยประการชนนี้ อันหนึ่งเพราะสมาธิที่ชื่อว่าเอโกโอทินี้นั้นเป็นสมบัติของใจมิใช่ของสัตว์มิใช่ของชีวะฉะนั้นท่านจึงแสดงไว้ว่าเจตโสเอโกโอทิภาวังดังนี้แปลว่าทุติยชาญเป็นภาวะที่ทําสมาธิชื่อเอโกโอทิให้เจริญขึ้นแก่ใจถามแม้ในปฐมฌานก็มีศรัทธานี้ด้วย มีสมาธิที่ชื่อว่าเอกโขทินี้ด้วยแล้วม่ใช่หรือเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านจึงกล่าวเฉพาะทุติยชานี้เท่านั้นว่าทำจิตให้เลื่อมใสเป็นภาวะที่ทำสมาธิชื่อเอกโขทิให้เจริญขึ้นชนี้เล่าตอบก็ปฐมชานั้นยังไม่ผ่องใสดีนักโดยเหตุที่ยังวุ่นวายอยู่เพราะวิตกและวิจารณ เปรียบเหมือนน้ำที่ถูกรบกวนอยู่ด้วยระลอกแล้วลูกคลื่นฉะนั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ศรัทธาจะมีอยู่ก็ตามท่านก็ไม่แสดงว่าสัมปัสสทนังทำจิตให้เลื่อมใสและเพราะเหตุที่ยังผ่องใสไม่ดีนักนั่นเองแม้สมาธิในปฐมฌานนั้นจึงยังไม่เด่นชัดดีเพราะเหตุนั้นท่านจึงไม่แสดงว่า เอโกทิภาวังเป็นภาวะที่ทำสมาธิชื่อเอโกทิให้เจริญขึ้นส่วนในทุติยาชานีศรัท ธ, ธาได้โอกาสและมีกำลังมากเพราะเหตุไม่มีเครื่องกังวลคือวิตกและวิจาร์รบกวนและแม้สมาธิเล่าก็เด่นชัดเพราะเหตุที่ได้เพื่อนคือศรัท ธ, ธาอันมีกำลังเพราะฉะนั้น ท่านจึงแสดงเช่นนี้เฉพาะทุติยชานีเท่านั้นนักศึกษาพึงเข้าใจความหมายฉชนนี้ในส่วนคำภีวิพังพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้เพียงว่าความเชื่อความเชื่อฟังความอย่างใจลงเชื่อความเลื่มใสยิ่งอันใดมีชื่อว่าความเลื่มใสความตั้งอยู่แห่งจิตความตั้งมั่นโดยชอบแห่งจิตอันใด นี้ชื่อว่าภาวะที่ทำสมาธิชื่อเอโกโอทิให้เจริญขึ้นแก่จิตและการพันานาความนี้ย่อมไม่ผิดกับพระบาลีในคำภีวิพังที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้แล้วอย่างนั้นคือย่อมเทียบกันได้ย่อมเข้ากันได้ด้วยประการใดนักศึกษาพึงทราบด้วยประการนั้นเถิด อธิบายไม่มีวิตกไม่มีวิจารณคําว่าไม่มีวิตกไม่มีวิจารณนั้นมีอถาธิบายว่าวิตกไม่มีในทุติยจารนี้หรือวิตกไม่มีแก่ทุติยจารนี้เพราะเหตุที่ละได้แล้วด้วยภาวนาเพราะเหตุนั้นทุติยจารนี้จึงชื่อว่าอวิตักกังแปลว่าไม่มีวิตกคําว่าอวิจาระ ก็มีอัตถวิเคราะห์โดยทํานองเดียวกันนี้แหลแม้ในคำภีรวิพังพระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงไว้ว่าวิตกนี้ด้วยวิจ่านี้ด้วยเป็นสภาพสงบแล้วระ ง, งับแล้วสงบด้วยดีแล้วถึงภาวะที่ตั้งอยู่ไม่ได้แล้วถึงภาวะที่ตั้งอยู่ไม่ได้แน่แล้วถึงภาวะที่พินาศไปแล้ว ถึงภาวะที่พินาศแน่แล้วเกือดแห้งไปแล้วเกลอดแห้งแน่แล้วถูกทำให้หมดที่สุดแล้วฉนี้เพราะฉะนั้นทุติยชานี้จึงเรียกว่าไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ในอธิการนี้จะมีผู้กล่าวติงขึ้นว่าแม้ด้วยคำว่าเพราะวิตกและวิจารสงบไปนี้ ก็เป็นอันสำเร็จความหมายนี้แล้วไม่ใช่หรือเหตุชนไยนจึงทรงสแสดงว่าไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ชนี้ซ้าอีกเล่าข้าพเจ้าจะวิสัชนาต่อไปข้อนี้เป็นอย่างนั้นจริงความหมายนี้ก็สำเร็จแล้วจริงแต่คำว่าเพราะวิตกและวิจาร์สงบไปนี้มิได้บ่งถึงความหมายที่ว่าไม่มีวิตกและวิจารนั้น ข้าพเจ้าเด้กล่ามาแล้วไม่ใช่รู้ว่าการบรรลุฌานขั้นอื่นๆจากปฐมฌานขึ้นไปเช่นทุติยฌานเป็นต้นย่อมมีได้เพราะการผ่านองค์ฌานที่หยาบหยาไปดังนั้นเพื่อที่จะทรงแสดงความหมายดังอธิบายมานี้ซึ่งตรัสว่าเพราะวิตกและวิจารสงบไปด้วยประการชนนี้อีกประการหนึ่งคาว่าเพราะวิตกและวิจารสงบไปนี้ เป็นเครื่องแสดงถึงเหตุแห่งความเลื่อมใสและภาวะที่ทาสมาธิชั้นเอกให้เจริญขึ้นของทุติยชาญอย่างนี้ว่าทุติยชา น, นี้ชื่อว่าประกอบด้วยความเลื่อมใสเพราะเหตุที่วิตกและวิจารสงบไปไม่ใช่เพราะเหตุที่กิเลสซึ่งเกิดฟุ้งขึ้นตามการสงบไปและที่ชื่อว่าเป็นภาวะที่ทาสมาธิชั้นเอกให้เจริญขึ้น เพราะเหตุที่วิตตกและวิจารสงบไปไม่ใช่เพราะเหตุที่ประหานิวรเหมือนอุปจาระฌานและไม่ใช่เพราะเหตุที่องค์ฌานปรากฏเด่นชัดเหมือนปฐมฌานและอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องแสดงถึงเหตุแห่งภาวะที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์อย่างนี้ว่าทุติยฌานนี้ชื่อว่าไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ เพราะเหตุที่วิตกและวิจาร์สงบไปม่ใช่เพราะเหตุที่วิตกวิจาร์ไม่มีมาแต่เดิมเหมือนอย่างตัติยะชาญและจตุตถาชาญและเหมือนอย่างทวิปัญจาวิญญาณเช่นจักขูวิญญาณเป็นต้นแต่ไม่ใช่เป็นเครื่องแสดงถึงแต่เพียงสักว่าความไม่มีแห่งวิตกและวิจาร์ส่วนคำว่าไม่มีวิตกไม่มีวิจารนี้เป็นเครื่องแสดงถึงแต่เพียงสักว่า ความไม่มีแห่งวิตกและวิจารณ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะได้ทรงแสดงมาแล้วตอนต้นว่าเพราะวิตกและวิจารณสงบไปก็จําที่จะต้องทรงแสดงว่าไม่มีวิตกไม่มีวิจารณซ้ําอีกนั่นเทียวตติียฌานและจตุทาาัตฌานคือฌานที่สามและฌานที่สี่นั้นไม่มีวิตกและวิจารณ เสงบไปแต่ทุติยาชาญแล้วส่วนทวิปัญจวิญญาณมีจักขูวิญญาณเป็นต้นก็ไม่มีวิตกและวิจารณ์เพราะวิตกและวิจารณเจตสิกสองดวงนี้ไม่ได้ประกอบเข้ากับทวิปัญจวิญญาณโดยธรรมนิยมอธิบายเกิดแต่สมาธิเป็นต้น คำว่าเกิดแต่สมาธินั้นมีอั ธ, ธิบายว่ามีปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิคือปฐมฌานอีกในยะหนึ่งมีปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิที่ประกอบร่วมกันในสมาธิทั้งสองนั้นถึงแม้ปฐมฌานจะเกิดแต่สมาธิที่ประกอบร่วมกันก็ตามแต่กระนั้นสมาธิคือทุติยฌานนี้เท่านั้น ควรที่จะกล่าวได้ว่าเป็นสมาธิที่สนิทเพราะเป็นสภาพที่มั่นคงอย่างยิ่งและเป็นสภาพที่ผ่องใสที่สุดโดยเว้นจากความวุ่นวายเพราะวิตกและวิจาร์แล้วเพราะฉะนั้นที่ส่งแสดงว่าเกิดแต่สมาธิดังนี้นั้นก็เพื่อประสงค์ที่จะส่งสันเสริญคุณของสมาธินี้คำว่าปีติและสุขนั้น มีนัยยะดังพันนามาแล้วในปฐมฌานนั่นเองคาว่าฌานที่สองอธิบายว่าที่ชื่อว่าที่สองเพราะเป็นลำดับแห่งการคำนวณฌานนี้ชื่อว่าที่สองเพราะเหตุที่โยคีบุคคลย่อมเข้าเป็นอันดับที่สองดังนี้ก็ได้ฌานนี้เกิดขึ้นเป็นอันดับที่สองแม้เพราะเหตุนั้น จึงกล่าวว่าชานที่สองดังนี้ก็ได้อธิบายทุติยชาญละองสองก็แลในคําที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วว่าทุติยชานละองสองประกอบด้วยองสามนั้นมีอ ธ, ธิบายดังต่อไปนี้ที่ว่าทุติยชาญละองสองนั้น นัศึกษาพึงทราบด้วยอํานาจแห่งการละซึ่งวิตกหนึ่งวิจารหนึ่งและโยคีบุคคลย่อมละนิวรณทั้งหลายในขณะอุปจาระของปฐมฌานชันนใดหาได้ละวิตกและวิจารในขณะอุปจาระของทุติยะฌานนี้เหมือนอย่างนั้นไม่แต่ทุติยะฌานนี้ย่อมเกิดโดยปราศจากวิตกและวิจารทั้งสองในขณะแห่งอัปปนานั่นเทียว ด้วยเหตุนั้นวิตกและวิจารณ์ทั้งสองนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นองค์สําหรับละของทุติยชานนั้นอธิบายทุติยชานประกอบด้วยองค์สามส่วนที่ว่าทุติยชานประกอบด้วยองค์สามนั้นนักศึกษาพึงทราบด้วยอํานาจความเกิดขึ้นแห่งองค์สามเหล่านี้ คือปีติหนึ่งสุขหนึ่งจิตเตกัคคตาหนึ่งเพราะฉะนั้นพระพุทธวจนะใดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ในคำภีวิพังว่าคําว่าฌานได้แก่ความเลื่อมใสความเอิบอิ่มความสุขและภาวะที่จิตมีอารมณ์อันเดียวดังนี้พระพุทธวจนะนั้นพระพุทธองค์ทรงเทศนาไว้โดยอ้อม เพื่อจะส่งชี้ถึงฌานพร้อมทั้งเครื่องปรุงแต่งด้วยแต่เมื่อว่าโดยตรงแล้วทุติยาชฌานนี้ยอมประกอบด้วยองค์สามเท่านั้นด้วยอำนาจแห่งองค์ที่ถึงซึ่งลักษณะที่เพ่งได้โดยโยกเว้นความเลื่อมใสเสียสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าฌานที่ประกอบด้วยองค์สามนั้นคือปีติหนึ่งสุขหนึ่งจิตเตกัคตาหนึ่ง คำที่เหลือมีในยะดังที่พันนามาแล้วในปฐมฌานนั่นแหละอธิบายทุติยฌานละองสองก็แลในคำที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วว่าทุติยฌานละองสองประกอบด้วยองสามนั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้ ที่ว่าทุติยาชาละองสองนั้นนักศึกษาพึงทราบด้วยอำนาจแห่งการละซึ่งวิตกหนึ่งวิจารหนึ่งและโยคีบุคคลย่อมละนิวรณ์ทั้งหลายในขณะอุปจาระของปฐมชาญ ช, าญชาญั้นใดหาได้ละวิตกและวิจารในขณะอุปจาระของทุติยาชานี้เหมือนอย่างนั้นไม่แต่ทุติยาชานี้ ย่อมเกิดโดยปราศจากวิตกและวิจารทั้งสองในขณะแห่งอัปปนา น, นั่นเทียวด้วยเหตุนั้นวิตกและวิจารทั้งสองนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นองค์สำหรับละของทุติยชานนั้นอธิบายทุติยชานประกอบด้วยองค์สามส่วนที่ว่า ตุติยาชาญประกอบด้วยองค์สามนั้นนักศึกษาพึงทราบด้วยอำนาจความเกิดขึ้นแห่งองค์สามเหล่านี้คือปีติหนึ่งสุขหนึ่งจิตตกะคคตาหนึ่งเพราะฉะนั้นพระพุทธวจนะใดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ในคำพีวิพังว่าคำว่าชาญได้แก่ความเลื่อมใสความเอิบอิ่มความสุขและภาวะที่จิตมีอารมณ์อันเดียว ดังนี้พระพุทธวจนะนั้นพระพุทธองค์ทรงเทศนาไว้โดยอ้อมเพื่อจะทรงชี้ถึงชาญพร้อมทั้งเครื่องปรุงแต่งด้วยแต่เมื่อว่าโดยตรงแล้วทุติยาชานี้ยอมประกอบด้วยองค์สามเท่านั้นด้วยอำนาจแห่งองค์ที่ถึงซึ่งลักษณะที่เพ่งได้โดยยกเว้นความเลื่อมใสเสียสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ชาญที่ประกอบด้วยองค์สามนั้นคือปีติหนึ่งสุขหนึ่งจิตเตกัดคตาหนึ่งคำที่เหลือมีนัยยะดังที่พันนามาแล้วในปฐมชาญนั่นแหละ